ก็ก่อนที่จะมีการสอบอารมณ์เดี๋ยวจะเอาประเด็นที่เราฟังอาจารย์สุภีตอบปัญหาคุยกันต่อเลยเพื่อว่าบางคุณฟังแล้วก็ยังเข้าใจไม่ชัดเจนหรือชัดเจนแล้วแต่ว่าเราจะนำประเด็นบางประเด็นมา ทำคามเข้าใจซ้ําเพื่อให้ชัดเจนขึ้นนะสิ่งเราได้ฟังอันนี้สูงของการฟังเพราะเราได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งที่ฟังแล้วก็จะแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนะแล้วก็ทําให้ความเห็นของเราตรงจิตของเราย่อมแจ่มใสทําทิฏฐิทําความเห็นให้ถูกอันนี้เป็นอันนี้สูงของการฟังนะ ที่ฟังแล้วจาได้ก่อนบ้างไหมปัญหาตอนเย็นเนี่ยมีใครมีประเด็นไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งไม่เข้าใจหรือสงสัยมีไหมนี่เราฟังตอนเย็นที่เขาถามปัญหาเนี่ยที่ฟังผ่านไปเฉยๆหรือฟังแต่ว่าฟังอันนี้ก็จะถูกต้องฟังแต่ว่าฟังมันมีประเด็นนหนึ่งที่อยากจะนํามาขยายต่อก็คือว่าอ่า เรามักจะถามว่าเรารู้ได้ไงว่าเราเคยทําอะไรเคยทํากรรมอะไรมาก่อนนะี่ยตามที่มีคนถามเนี่ยนะที่อาจาย์สุภีตอบจําได้ไหมตอบว่าไงเรารูได้ไงว่าเราทํากรรมอะไรมาก่อนกรรมที่เกิดอยากหลักสาสามอย่างคืออะไรว่า ก, กรรากุศลกรรมอกุศลกรรมแล้วก็อภยากตะ กรรมหรือกรรมที่เกิดจากสามเหตุเกิดจากโลภโทสะและโมหะใช่ไหมแค่นั้นแหละแต่ทามามากมายขนาดไหนก็ตามก็จะมีอยู่สามสามรากสามเงาสามที่มาแค่นั้นแหละอที่รู้ว่าเราทํากรรมมาทางโลภหรือทางโกรธทางหลงเนี่ยเรารู้ว่าเราทํากรรมนั้นมาได้ด้วยการอะไรนะเมื่อถูก ก็ถูกกระทบนะเมื่อถูกกระทบแล้วจิตใจเราน้มไปทางไหนก็แสดงว่าเราได้ทำกรรมทางนั้นมา เ, ออเห็นด้วยไหม <laughs> เห็นด้วยนะพ่สูจได้ด้วยใช่ไหมคานไม่ได้เลยนะอันนี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ <c oughs> นำไปได้ว่าเราก็จะรู้ว่า เวลาเราพูดคนไหนแล้วมันมีแนวโน้มไปทางไหนก็แสดงว่าเขาเคยทากรรมสิ่งนั้นมาเราจะได้ไม่ร่วมทํากรรมกับเขาด้วยไงเ <c oughs> มื่อเราพูดให้เขาเขาไม่พอใจอแล้วเขาตอบมาแล้วเราก็จะได้ไม่ตอบไปเพราะเขารู้ว่าอันนั้นเป็นกรรมของเขาเราก็ยังไม่ได้สร้างกรรมใหม่อันนี้ผลดีนะที่เขาพูดกับเรามาทําให้เราไม่พอใจแสดงว่าเราเคยสร้างกรรมเลยมา สร้างกรรมประเภทที่เป็นโทสะเมื่อก่อนพอถูกกระทบแล้วเราไม่พอใจอ น, นี่เราก็จะได้ไปสร้างกรรมต่อไปเรารู้ว่าเราไม่พอใจเราก็แทนที่จะไม่พอใจคนที่มาว่าเราแทนที่ไปโกรธตอบใช่ไหมเราก็มาดูอะไรของเรามาดูความไม่พอใจของเราที่กําลังเกิดแล้วก็ไปดับใช่เรียกว่าดับกรรมคือพอรู้สึกกรรมเกิดขึ้นแล้วเราถ้าเราทําตามที่มันเกิดขึ้นปั๊บเนี้ย แสดงว่าเราสร้างกรรมเพิ่มเติมใช่ไหะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทำไงเอาสติไปดับความไม่พอใจอันนั้นเสียกรรมก็จะไม่เพิ่มกรรมเก่าก็ขาดไปกรรมใหม่ก็ไม่เกิดทีรเราไปเห็นอะไรสวยๆงามๆเราอยากได้แสดงว่าเราทำกรรมอะไรมาทำกรรมที่เป็นโลภะมาถ้าเราตอบสนองต่อไปอีกแล้วก็ไปไง ทำกรรมโลภะเพิ่มขึ้นใหม่อีกใช่ไหมลิทิแลจะทำยังไง mm. ก็มาดับความอยากเอาสติไปดับความอยากมันเสีย mm. นี่มันจะได้โลภาเขาม้งไว้เนี <laughs> ่ยถ้าอย่างนี้ไม่ได้โลภาเขาเลยนะไปค้าไปขายไปทํามาหากินไม่ขึ้นแล้วเพวิ่มไม่โลภแล้วเนี่ย <laughs> ชักลำบากกันแบบนี้ว่า <laughs> ต้องยอมทํากรรมาใช่ไหม <laughs> อันนี้ลองไปพิจารณาดูนะอจะจริงไว้จริงเนะี่ย ไปพิสูจว์ดูนะก็อันนี้มีผลดีผลได้ผลเสียมีได้มีเสียก็เลยนำมาขยายว่าถ้าเราสามารถทำได้ทามันมันก็ดีนะทีนี้ระหว่างความความอยากกับความจำเป็นไปแยกกันให้ออกนะสมมติเราไปเห็นวัตถุชิ้นเนี้ยที่เราอยากได้เพราะตอนที่ทำงาน เราขาดวัตถุสิ่งเนี้วันนี้เวลาไปาหั่นผักแล้วมีดมันไม่คมเลยนะหรือไปสับหญ้าแล้วมีดไม่คมเลยไปเห็นเอาเขามีดมาขายนี่อยากจะได้เราต้องการซื้อมีดเพราะม่ดที่บ้านไม่ได้เรื่องลักษณะ น, นี้เป็นความอยากไหมเป็นอะไรเป็นความจําเป็นะนะฮะลักษณะนี้เราต้องแยกกันได้ออกอันไหนเป็นความจําเป็นอันไหนเป็นความอยาก หรือไปเห็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากได้ไอ้ที่บ้านนในเสื้อผ้าเราก็มีเยอะแยะทำไมเราต้องอยากได้อีกแต่ถ้าอยากได้อันนี้มันสวยกว่าวันนี้เมาะกว่าใช่ไหมอันนี้เป็นความอยากเพราะมันไม่จําเป็นนะมันอยากแต่ว่าตัวนี้มันสวยกว่าตัวที่บ้านเยอะถ้าไปใส่แล้วมันน่าจะเท่กว่านะมันก็ยังเป็นความอยากเป็นความโลภอยู่ดีใช่ไหมหรือกระทานอาหารใช่ไหมว่า อ, อันนี้อร่อยนะ อะไรอยากจะ อ, อยากจะไปซื้ออีกอหรืออยากจะกินอีกหรืออยากจะทำอาหารชนิดนี้อีกที่จะไปมื้อใหม่วันใหม่อยากจะกินอาหารแบบเดียวกันนี้อีกอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นความโลภแล้วใช่ไหมทงังทั้งที่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรใน น, นั้นนี้ก็ต้องแยกให้ออกนะเชื่งใช้ปัญญาแม้กระทั่งเราจะทำกรรมหรือก่อกรรมใหม่ใช้กรรมเก่าอะไรเนี่ยก็ ต้องใช้ปัญญาแยกแยะเหมือนกันอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นอันนี้คื อ, อพุทธศาสนาต้องใช้ปัญญาทุกขั้นตอนแต่นึาไม่มีปัญญาหรือปัญญามันน้อยจะทำยังไก็ต้องเพิ่มเพิ่มอย่างที่เรามาทำกันเนี่ยเป็นการเพิ่มทั้งสุตตะมยปัญญาเป็นการเพิ่มทั้งจินตามิยะปัญญาเป็นการเพิ่มทั้งภาวนามยะปัญญาถ้าเรารู้สึกว่าเออเรายัง มีประสบการณ์มีความรู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ฟังบ่อยๆฟังหลายๆคนฟังหลายๆเรื่องเขาว่าอย่างไรฟังผู้รู้เขาว่ากันแล้วเราก็มาพิจารณาไตรจองตามใช่หรือไม่ใช่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วก็ตัดสินลงไปแล้วก็เวลาเราไปประสบปัญหาเลยแล้วก็มีเกณฑ์ตัดสินในใจของเราเพราะเราเกิดปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจากการนึกการคิดจากการพิสูจน์ด้วยตัวเองปัญญามันก็เกิดนะเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นโลกุตระเนี่ยเพิ่มได้แต่เราต้องขยัน ฟังขยันพิจารณาขยันภาวนาปัญญาโลกุตระ ก, ก็เพิ่มได้ปัญญาโลกุตระ ก, ก็เพิ่มได้ในการขยันเรียนขยันรู้ขยนัขยนศึกษาอันนี้ก็ช่วยให้ได้นะก็ประเด็นนี้ที่ยวมารู้สึกอยากจะขยายมีประเด็นอื่นมไหมที่ฟังมาเมื่อกี้ที่อยากจะขยายหรือ มีประเด็นที่อตอบไปแล้วไม่น่าจะใช่หรือสงสัยหนึ่งนะหรือไม่เห็นด้วยนะมีไหมมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จำ <c oughs> ล้วประสบการณ์ของโยมยมแก้ไขอย่างไรเวลายมกลัวขึ้นมา <c oughs> ถ้าเกิดไปบ้านนั้นไม่มีไฟอะ่ะนั่นยมันจะต้องเผื่อเงื่อนไขที่มันไม่มีด้วยนะมันจะเพราะความกลัวเนี่ยเกิดจากอะไรสำหรับทัศนคติเขามาเมื่อใดเราเรายังมีความอย า, อยากอยู่ล้วก็มีความกลัว เมื่อไหรความอยากน้อยความกลัวก็น้อยอยากมากความกลัวก็ก็ม า, ามกเา ม, ามื่อไหรไม่อยากก็ไม่กลัวนะเช่นเรากลัวจนเพราะเราอยากอะไรเราอยากเลย <c oughs> เราเรากลัวจนเราก็อยากเลยนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความอยากนะถ้าความกลัวของเรา <c oughs> <c oughs> ก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาอะไรเกิดขึ้นตามบันทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเรา เราไม่เคยได้ยินได้ฟังใครถามมาก่อนแล้วก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังใครตอบเรามาก่อนมันเป็นปัญหาใหม่ๆอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะทั้งนั้นในเรื่องของจิตานุปัสสนาที่เราพูดกันมาสองวันนีก็ได้ฟังกันมาหลายหลายทางก็ใช้หลายวิธีการที่กะขยายเรื่องจิตานุปัสสนาเช่นเมื่อวานการ ที่เราได้ยินการเสวนาธรรมในเช้าแล้ยินประสบการณ์ขอยจันพงศ์เราก็ได้ฟังการตอบการถามปัญหานี้เป็นเรื่องของจิตตะจินตาจินจิตานุปนัสสนาสิริปทานทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าเราหลายๆมิติมาด้วยกันก็าสามารถจะเคลียในจุดนี้ได้ให้ได้ฟังหลายๆมิติของจิตต า, า, านุปัสสนานุปัสสนาศิรีประทานก็เป็นเรื่องกว้างขวางนะต่อไปเป็นเรื่องของ การสอบอารมณ์มเริ่องจะที่ไหนก่อนนะอเนาะรื้มต้นจากแถวนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะไม่มีคําถามเป็นอารมณ์เป็นไงบ้างปฏิบัติวันนี้ทั้งวันเก็บอารมณ์เป็นไงบ้างหมายถึงว่าวันนี้ทั้งวันไม่มีอารมณ์หรือไม่มีปัญหาบริสัทธด้านนิวรณ์เลยใช่ไหมแต่ก็ได้อารมณ์ตั้งช่วงท้ายๆตอนเย็นได้อารมณ์ดีใช่ไหมทําได้ยาวขึ้นคาว่าได้อารมณ์หมายความว่าเราสามารถทําได้ยาวขึ้นแล้วก็ไม่มีนิวรณ์รบกวน นี่ก็ได้ลมแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันนิ่งดีแล้วเห็นความรู้สึกตัวชัดดีใจสบายเบานะในความหมุดหงิดกำกาญความฟุ้งซ่านความง่วงความง่วงเง้อความเบื่อเบืออะไรนี่หายไปเลแต่ความเบาสบายนี้ก็ได้ได้ลมก็บาลงพิทักษ์นาทางกายก็บำลงนี่ก็เรียกด่าลมนะทีนี้ถ้าได้าลมหยีบ่อยๆมันก็สามารถรู้สึกตัวได้ไว นะแล้วก็ทําอะไรรู้สิทตัวนั้นการเห็นนะรโมลูปนามมีสองลักษณะลักษณะแรกหมายความว่าประจักษ์พบขึ้นมาโดยที่เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่เคยรู้สิ่งนี้มาก่อนปับ๊บอันนี้ลักษณะหนึ่งนะลักษณะนี้เขาเรียกว่าประจักษ์ประจักษ์แจ้งลักษณะที่สองก็เกิดการ การจะสังเกตแล้วก็เพิ่มทักษะในการรู้นั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นบ่อยๆจนกระทั่งว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดเป็นความชนิดํานาญรู้ได้ไวรู้ได้เร็วรู้ได้ชัดโดยที่ไปเป็นไปไปเป็นเรื่อยๆนะจนกระทั่งกลายเป็น อ, อัตโนมัติอันนี้มากกว่าอันนี้อันนี้ะจะดีกว่าเพราะเราเห็นที่ไปที่มาแล้วก็สามารถจะรู้ <c oughs> ลักษณะอันแรกนั้นเขาเรียกเป็นลักษณะเจโตวิมุตต์คือหมายความว่ามันเป็นไปด้วยอำนาจของจิตที่มันเกิดการ ร, ารู้ในขณะขึ้นมาทันทีทันใดนะลักษณะที่สองเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตตคือรู้ด้วยเหตุด้วยผลตามลำดับค่อยเป็นค่อยไปแล้วอันนี้จะแน่นอนกว่าเพราะว่าเรานมนสืบ ต, ต้นตอที่ไปที่มาได้รู้เหตุรู้ผลของมันว่ามันเกิดอย่างไรลักษณะนี้จะมั่นคง แต่ลักษณะ น, นี้ p อ p อ p เข้นมาอย่างนี้บางทีก็หลงก็ลืมไปก็มีแต่มันเจ็มแจ้งถ้าคนไหนรักษาว้ไนามก็ดีนะ อ, อันนี้เราเลือกมันได้เพราะว่ามันเป็นอิสัยของเฉพาะตัวบุคลคลแม้เขาอิวันทุกตัวลดลงหมดแล้วก็ทำให้ยาวขึ้นความบาสบายเกิดขึ้นความฟุ้สร้านวิตกวิจารณ์อะไรนี่อืมยังไม่มากอ่า แล้วความเบื่อเซ็งง่วงอะไรก็หายไปแล้วช่วงท้ายๆมันมีเกิดความเบื่อความเซ็งความลาคาญหรือความขี้เกียจอะไรมีไหม mm hmm. ไม่ค่อยมีนะก็ไอสิ่งที่รู้เข้าใจอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาจากการปฏิบัติจากการที่เราทําวันนี้บ้างไหมหรือว่าเหมือนกันกับที่ได้แล้วมามันมีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษขึ้นมาเฉพาะวันนี้บ้าง หมายความาความคิดตัดได้เรยวขึ้น <c oughs> พอดูแล้วก็ขาดดูแล้วขาดตรงนั้นน่ะนะก็สติเข้มแข็งขึ้นเราอยากจะทําให้ลักษณะอย่างนี้เป็นอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราก็เพิ่มคุณภาพของความรู้สึกตัวเอาทีนี้ข้อดีของการที่เรารู้สึกตัวต่ามลาดับก็คือเราเห็นการหายไปการตั้งอยู่และการเกิดขึ้นของ ความรู้สึกตัวนี้ได้ชัดแต่เหมือนเงินเน่ยเรารู้ที่ไปที่มาว่เงินได้มาอย่างนี้เราจะเพิ่มต้องเพิ่มอย่างนี้นะมันก็ง่ายแต่ทีนี้ว่าเรามีความรักเรามีความาเห็นเห็นกวามสำคัญมันมากน้อยแค่ไหนในตัวสติตัวนี้นะอันนี้ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้มากเลยว่าเราจะทำยังไงให้ความรู้สึกตัวประเภทนี้ให้มันเป็นนิสัยเป็น อะไรอ่ะเป็นเป็นกำลังของชีวิตไปเลยเราก็จะทํามาเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตนี้นะให้มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มันก็จะไม่หายไปง่ายๆเพราะเราจะเพิ่มกําลังเสมอเหมือนเรารู้คุณรู้คุณโทษรู้โทษ ร, ทรู้ภัยของความขาดแคลนความยากจนนี่นะแล้วก็ขนควายหาเงินห า, หาทองเก็บหอมรอมนิบประหยัดอย่างดีเลย จกนกระทั้งความยากจนไม่ไ ม, ไม่กล้าเข้ามาอีกเลยเพราะเราคอยระมัดระวังเกี่ยวกับคมร่ำเกิดเงินไว้ให้มากไว้ก่อนเสมออย่างนี้นะเพราะเราเห็นว่า เ, ออเวลามันขาดแคลนเวลามันออยากจนขึ้นมาอะไรมันก็รู้สึกติดขัดข้องไปหมดแต่มันยังมีเงินอยู่ในมือในกระเป๋าเนะี่ยอะไรมันก็ง่ายดายไปหมดอย่างนีนะ้การมีสติก็เช่นเดียวกันเราก็จะขวนขวายเห็นความสําคัญนะเพราะนั้นก็พยายามรักษาระดับของความ รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะให้เข้มแข็งไว้เสมออัมพรนะตรงนี้มันมันพลาดพลาดตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นแล้วแต่เราไม่ยอมมองมันนะใช่ไหมไม่ยอมรับรู้กันนะอ่ะเดินเช้าได้อารมณ์ตัวนี้ไม่ได้อารมณ์เราก็เห็นทีออยใช่มันเป็นอันนี้จังเราลืมนึกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงของมันเออไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา แล้วก็ยอมรับแล้วก็ทําไปตาม ส, สบายๆลยักษณะเงี้ยแต่นี้พอมันเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราอยากจะให้มันได้ได้อย่างที่เราคิดห ม, มายความว่าให้มันเที่ยงอยู่เสมอใช่ไหมเราไปแสวงให้ความเที่ยงเนี่ยมันก็เลยบีบหัวเราเ <c oughs> พราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าการที่เราไม่ยอมรับความเป็นจริงของมันว่าเออเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันไม่ได้มันเป็นอ น, นิจจังเป็นธรรมดาใช่ไหมเราก็นึงในใจว่าเป็นธรรมดาวันนี้ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทําไปเรื่อย เพราะเราไม่ต้องการที่ว่าจะให้มันได้หรือไม่ได้แต่ต้องการรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเท่านั้นก็พอใช่ไหมรู้เท่าทันในสิ่งที่มันเกิดเออไม่ได้ก็รู้มันไม่ได้คือมันได้ก็รู้มันไม่ได้ถ้าได้มาเราก็ไม่เพลินในสิ่งที่มันได้ถ้ามันไม่ได้เราก็ไม่เศร้าหมองไม่เสียใจกับการไม่ได้อันนั้นเราก็พร้อมที่จะเห็นอาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงของมันเรื่องปัญหาปวดหัวก็ไม่เกิดนะใช่ไหมเพราะนั้นวันต่อไปอย่าพลาดกันเลยกัน เอาต่อไปคุณอัญชนามี้พ่อตอนเดินมันก็ยังคิดถึงนะคะก็ยังทุ้มคิดคิดไปแล้วเดินคือก็ยังก็รู้สึกรู้สึกด้วยแล้วก็คิดด้วยทั้งคู่กันไปตอนหลังก็เช่นก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือพอก็พยายามดึกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็มันก็กลับมาได้แล้วก็คิดตลอดกลับมาค่ะจนสุดท้ายก็ อยากจะคิดก็คิดไปมันจะไม่สนใจก็จะให้จัเอารู้สึกอย่างเดียวก็ก็ก็ทำได้ตางไม่ได้บ้างก็เอาให้มันรู้สึกเอาให้มันรู้สึกแต่มันก็ยังมันก็ยังยังหนักหักอยู่ก็ยังคิดอยู่นะเราเราก็ให้วางใจหม่อยว่าไม่สนใจแล้วให้รู้สึกทีนี้คราี้ไม่เอารู้สึกก็คือให้รู้สึกอย่างเดียวไม่รู้สึกก็ให้รู้สึกว่าไม่รู้ไม่รู้สึกก็พอพอคิดได้อย่างนี้ตอนนั้นมันมันมี น่าจะเกือบเกื้ามงเยนแล้วนะคะนช่ช่วท้ายของชั่วโมงปฏิบัติแล้วพอพี่ได้แบบนี้ก็เดินเดินไปเออรู้สึกว่าเออมันมันเบาสมันมันสบายขึ้นะคะแล้วมันก็ไม่ทิ้ไม่คิดเลยมารู้สึกที่ที่การระทอเท้าตลอดห้าชั่วโมงนั้นมันต้องเปลี่ยนนเดินเร็วบาเดินช้าบา ลูกใช้ชั่วโมงก็กอกแล้ววาแล้ม่มนกาก็คือมาดูอยู่ที่การการเ้าตลด่ะอืมีความคิดตัวนี้เหนียวแน่นมากนะขนาดล้างขนาดนั้นแล้วมันไม่ยอมออกเลยสเแสนะดงว่าฮัลโหล อันนี้วิธีการในการพลิกเปลี่ยนวิธีการความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญตรงนี้แหละตรงนี้เขาเรียกกุศลแจิตนะถ้ากุศลแจิตเกิดไวก็หมายความว่าสิ่งที่มันเป็นต้องย้ําคิดย้ําทําอยู่ตรงนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้แล้วแต่ละคนจะหาเทคนิคหาโมโมอเองซึ่งบอกกันไม่ได้เลยนะตรงนี้กุศลแจิตใครที่ได้สั่งสมได้ฝึกฝนมาเนี่ยมันก็จะมาไวถ้ามันมาไวกว่านี้เราก็ไม่ต้องเดินถึง5ชั่วโมงหรืใช่ไหม ถ้ามันมาได้หลาชั่วโมงแรกๆแล้วก็เออตรงนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเราอาจจะถสมมุติว่าไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในใจมันคิดแล้วคิดอีกเนี่ยถ้ามันเป็นสีใช่ไหมมันก็คงเป็นสีที่ค่อนข้างเหนียวเหนียวหนื่นมากทีนี้เราก็ต้องหาไอ้น้ำธรรมดาเนี่อล้างแล้วล้างอีกมันก็ไม่ยอมบอกใช่ไหมแต่จนกว่าเราจะหาสารเคมีอะไรบางตัวที่มันตรงข้ามกับมันอย่างสมมุติว่าไอ้มือของเราไปติดน้ํามันหรือสีเนี่ยเรา เอาน้ำอย่างอื่นล้างไม่ได้อพอไปเอาน้มันในส่วนไม่ล้า ง, งดอกไวมากเลยลักษณะเงี้ยในการสแสวงหาตัวแก้มันเนี่ยเท่าแรงถ้าหาได้เจอได้ไวมันก็ล้างได้เร็วแต่หาได้เจอช้าหรือหาไม่เจอเนี่ยก็ล้างได้ยากนยเพราะว่าความคิดบางตัวเนี่ยมันแทรกด้วยกัรหารและอุปาทานมันก็เลยเหนียวแน่นตัวการย้ำคิดย้ำทำนั่นเป็นเรียกว่าตัวอุปาทานมันยึดติดแน่นเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้อง อย่าอย่าไปให้ความสำคัญมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิธีอย่างหนึ่งคือยอมรับความจริงของมันเรา่องไอยากคิดก็อย่าคิดไปก็ยอมรับของเขาเขาเออก็คงเาหาวิธีหาวิธีหลอกล่อหาวิธีที่จะถึงจะยอมรับความจริงแต่เรากไม่ยอมทั้งหมดนะนะหาวิธีจะซิกแซกดูแลเขาคิดอย่างนี้ ออกมาคิดอย่างนี้เ ม, มื่อว่างถ้ามันจะคิดนี้ท่านจะคิดยังเมื่ว่างไ ง, ไงให้เห็นว่าความคิดที่มันปรากฏนั้นเป็นอีกภาวะหนึ่งไม่ใช่ใจเราอืมเหมือนกับเพื่อนท่านใช้คำว่าเจ้ากรรมนายเวนี่นะฮะเข้ามาขอส่วนบุญกับเราเขาก็มาบ่อยๆเราไม่ยอมให้เขาเขาไม่ไม่ไปไม่ยอมหนีเป็นเจ้าหนี้เราอะความคิดเป็นหนี้เป็นวิบากเขาก็มาขอส่วนบุญแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราให้เขาดีๆเนี่ยก็เขาก็จะไปได้ไว แล้วก็แผ่ส่วนบุญให้เขาแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ฝึกหาวิธีที่กุศลด้วยจิตไปแก้ส่วนจะหาวิธีไหนนี่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะอย่าลืมว่าสิ่งที่เรายา้ำคิดย้ำทำอยู่นั้นนะ่ะมันเป็นฝ่ายอากุศลเนี่ยเราก็ต้องหากุศลแก้ให้ได้แต่ในส่วนกุศลที่เราจะแก้เนี่ยก็เป็นวิธีคิดของเราเราจะคิดแบบไห น, นก็ได้ที่มันสามารถเอาตัวนั้นออกไปได้นะอย่างที่คุณทําแต่ช้าไปหน่อยเดิน อ๋อปัญญาไม่เกิดก็ไม่รู้จะคิดแบบไหนแล้วเพรู้ว่าปัญญาไม่เกิดเออใช่ก็นอกจากเดินมาหาหลวงพ่อเท่านั้นมีปัญญาไหมเราที่จะนึกออกอย่างน้อยก็เกิดปัญญาฉันไม่มีปัญญาเดี๋ยวฉันไปดูไปหาหลวงพ่อดีกว่าอย่างนี้ก็มีปัญญาอยู่เหมือนกันเลสวิตกับดวงไฟเนี่ยเป็นคนละอันเดียวกัน สวิตกับดงไฟเนี่ยคนละอันแต่ว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีสวิตมันจะทํางานไหมเพราะฉะนั้นเป็นอันเดียวกันก็ได้เป็นคนละอันก็ได้หรื อ, อเราจุดไม่ขีดติดเทียนเนี่ยถามว่าไไฟไม่ขีดเหงือเทียนกับไฟไม่ขีดที่มันติดเทียนเนี่ยมันไฟเดียวกันหรือคนละไฟะใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นหนึง่งเกี่ยวกันเหตุประจัยมันกันอะไรกันใช่ไหมเพราะฉะนั้น ตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดตัวอุศลจิตเกิดปัญญาที่จะให้คิดได้อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเสก่อนนะเราจะคิดไม่ได้อย่างนั้นใช่ไ้ยเป็นเหตุปัจจัยของกันอะกันเอาต่อไปคุณ ห, หมออะไรปฐมวันเป็นไงบ้า ง, งเห็นี้เห็นทำทั้งวันเลยตกไปในความคิดบ่อยไหมอ๋อแล้วตกไปง่ายอะตกไปเร็วตกไปลึก แต่ว่าเวลามันชัดมันก็ขึ้นได้ทันทีใช่ไหมการที่ทำอยู่ในห้องก็ออกมาทำข้างนอกห้องแล้ทําดนรูปตัวเองชั่วโมงเผื่อเผื่อเราได้ทามหาวาร์มรู้สึกมันเหมือนได้มีที่ที่อาจารย์มหาวา่ว่าได้อารมณ์ได้ที่อันที้ต่อได้คือมัรู้สึกักยกมันยกเจ็ดจันหวินี่วโมกเลยที่ถ้าตอนนี้ผงสว่า มันมันเบาโลกโลหน้าเลยค่ะแลพันธ์สัญญาทาทางาหาต่อเนื่องหมดเตะรู้สึกว่าถ้าไ่ไปไฟสําเลยมันมันมันจะได้ด้วคือเราได้อาอรมณ์นักแล้วก็แต่ช่วงบ่ายเหือนไปติดโฟมเยอะๆมากคือเรื่องบางทีเนี่ยที่เว่าเกิดจากพอเกิดความคิดเราเริ่องบางทีแล้วนี่สัญญาใช่ไหม สัต้าเราก็ไปถ่างขาตัวเป็นไหนต่มันก็เลยเมี้ยก็เลยมันนั่งพอมานั่งมันเกิดเวทนาเยอะมากแต่ว่าช่งเมื่อวันต่อนลวงพ่อบอกว่าเวลาเวทนาเกิดขึ้นไม่อยู่ว่าเราเกิดไม่ความว่าในการแยกเวทนากับความรู้สึกตัวออกชัดเจนขึ้นใช่ไหมชัดเจนขึ้นทีนี้ สภาวะชัดอย่างเนี้ยเราสามารถเห็นเอเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นได้ไหมว่าเพ่อเห็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นลําดับเหตุดูเหตุมันไหมไม่หมายถึงว่าภาวะที่มันชัดเนี่ยเวทนาก็ชัดคนรู้สึกตัวก็ชัดโดยที่เวทนาที่มันมีอยู่เนี่ยไม่เข้าไปบีบคั้นจิตใจตรงนี้เราตามเห็นมันหรือเปล่าว่าอะไรเป็นเหตุให้มันชัดอย่างนั้นความรู้สึกตัวที่ไปเห็น ว, วิถี ลนน า, า, า้ลักษณะอย่างเนี้ยเราสามารถเอาไปทําได้โดยทั่วไปไหมนี่ลักษณะอัเนี้อยากให้ไปทดสอบใช้บ่อยๆเพราะมันมีผลมากเลยเพราะว่าถ้าเราฝึกใช้มันเรื่อยๆมันจะมาเร็วขึ้นในการแยกระหว่างเวทนากายเวทนาจิตนี่นะความจริงแล้วเนี่ยนักปฏิบัติมักจะลืมตรงนี้คือมักจะไม่เอาค่อยไปทบทวน ในการใช้บ่อยๆเมื่อไปสู่เหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะเยอะๆมากๆเนี่ยมันนึกไม่ทันมันลืมไปเลยมันหลงไปเลยแต่ถ้าเราซักซ้อมตรงนี้บ่อยๆนะมันจะนึกได้เร็วเราก็จะเห็นเวทนากับสติหรือความรู้สึกตัวในแยกกันชัดแล้วสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันก็จะลดความหนักหน่วงลงไปครึ่งต่อครึ่งหรือเกินครึ่งเลยเพราะฉะนั้นทดสอบตรงนี้บ่อยๆนะแล้วโดยเฉพาะโยมยึด เธอเป็นคนที่ว่าอะไรร่างกายไม่ค่อยเอือ้อมีเวทนามากขึ้นอะไรนี้นะต้องทําทุนนี้บ่อยๆแล้วมันก็จะทําให้ลดความาทุกข์อันเกิดจากเวทนาทางกายเนี่ยได้ได้ไ ด, ได้มากเพราะเวทนาทางกายถ้าปล่อยมันทุกทรมานา น, นานๆเ น, นี่ยมันก็ไปบดบงังไปบีบคั้นจิตทําให้เกิดาภาวะของความไม่ชัดระหว่างสติสมาธิก็จะเป็นอุปสัง ในการดาเนินชีวิตได้แต่พอเราแยกตัวนี้บ่อยๆปั๊บมันเปลนกับเป็นผลดีเวทนาตัวนั้นน่ะทําให้เราได้รู้ตัวบ่อยๆเตือนให้เราได้มาดูบ่อยๆนะอันนี้ผลดีของมันอ้าต่อไปไม่ต้องรอไม่ต้องรอใหม่ปากเปล่าไปเลย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> จำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้ก็ดีอ๋อดีแล้วจำไม่ได้แสดงว่าเราอยู่ปัจจุบันมากเ <c oughs> อาต่อไปคุณจุลพี <c oughs> ถือว่าสอบผ่านละ ไมาต้องจำอะไรก็ไม่ขึ้นนะเอาอันนั้นมขึ้นคุณดูหมด้ดิคุณอ๋ออันนี้มามีประสบการณ์บ่อยๆโดยเฉพาะเราที่เราชอบฟังเพลงฟังดนตรีนะนะจิตลึกๆเวลามันมาจังหวะาบางครั้งมันมาตกจังหวะที่จิตมันมีปิเตียนะไอ้ตัวนี้มันจะขึ้นมาแท <c oughs> รกแล้วทำให้เราเออสนุก แล้เนือเนอะไัตวใจเป็นเต้นอะไร่เียหมอพมันเป็นเป็นพิตีพิธเต้นเป็นรเฉิฉเหมือนกับจิตเนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างดวงใหญ่ใช่มอเหมือนเหมือนแสงสว่างดวงใหญ่ทีนี้ภายใต้แสงสว่างที่มันเป็นหลอดนะฉันรู้ว่าฉันเห็นดวงไฟ ธรรมดแล้วก็จะใช้ทํางานอะไรต่างๆเนี่ยภายใต้ดวงไฟเราไม่เคยแงะดูดวงไฟอย่างนะแต่เดีนี้เมื่แล้วไปแง้ะดูดวงไฟฉันก็รู้ว่าฉันเห็นดวงไฟแต่ที่ตาฉันเห็นเนี่ยว่าสายแสงไฟใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ฉันเห็นดวงไฟด้วยเข้าใจความหมายนี้ไหมเพราะฉันรู้ว่าฉันฉันรู้นะข้อนี้ฉันรู้ว่าฉันรู้สึกตัวความหมายเดียวกันความรู้สึกตัวคือการที่เราได้เห็นแสงสว่างทําอะไรเฉพาะหน้านี้นะเรารู้สึกตัวแล้ว แต่เราไปเห็นที่มาของความรู้สึกตัวนั้นด้วยก็คือที่ดอดไฟถ้าเราถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยเราเหมือนว่าเราจะรู้ในในส่วนตรงนั้นแต่พอเราเราอ้าวเกิดเกิดเอ๊ะทำไมทไมเกิดนี้อาจารนว่มันเชื่อมผู้รู้ตัวเราเมือนว่าเรารู้ว่าเรารู้สึกตัวแล้วก็สังเกตต่อไปว่ายกเลย มันมีอาการแบบางอ่เข้ามาเข้ามาด้วยในในรายละเอียดมากเพิ่ขึ้นเช่นเรื่อ้ข่งการตึงหรือวการในแบบีมันจะมีความชัดเจนและสามารถเข้าไาหลายหลายๆ่องทางในในเวลาเดี่วกันได้ซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นว่ามันมันจะา่านยืก อันนี้ความที่ตัวสติเนี่ย <olor S 1> พ, พ, พัฒนาเป็นสมาธิพัฒนาปัญญาพัฒนาปัญญาณดามลำดับนีทีนี้การรู้ถ้ามันพัฒนาสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะรู้อะไรได้ขอบข่ายที่กว้างขึ้นก็พัฒนาไปจากสติเนี่ยแต่แรกมันเป็นสติธรรมดาขอบข่ายมันก็จะรู้แคบแค่ใช่ไหมเพราะนานเข้าเนี่ยเขามันขยายวงกว้างขึ้นขอบข่ายการรับรู้ก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสตินี่แหละพัฒนาเป็นสมาธิพัฒนาเป็นสมัชัยพัฒนาเป็นปัญญาพัฒนาเป็นญาณไปเรื่อยๆ คือเบื้องต้นน่ะเบื้องต้นสําหรับเบสิกนะี่ท่านให้รู้แค่นั้นรู้ซื่ อ, อแต่สําหรับคนที่ทําจนชำ น, นิชำนาญมันไม่ซื่อๆแค่นั้นแหละมันขยายมากขึ้นมากขึ้นในลักษณะนั้นท่านไม่ต้องแนะแล้วเพราะว่าเป็นลักษณะคนที่มีประสบการณ์ที่จะรู้แล้วคือลักษณะนั้นท่านก็ไม่ต้องสอนลนะเพราะรู้ว่าเราใช้เป็นละแต่เราก็รักษาจิตซื่อๆมาได้อยู่เราทําอะไรก็ตามถึงจะรู้แค่ไหนก็ เาว่าจิตเดิมแท้ก็ซื่ อ, อใช่ไหมอย่างสมมุติว่าไฟเนี่นะไฟเราเห็นก็แสงสว่างซื่อเนี่ยนะแต่ว่าเราไปใช้ได้หลายอย่างเลยแล้วจะไปใช้งานอะไรแต่ว่าแสงสว่างซื่อเนี่แหละแต่ทําให้เราเห็นอะไรได้ทุกอย่างแต่มันก็เห็นได้ชัดขึ้นอันเองแต่งไงก็ตามอย่าไปสับสนเรื่องนี้ว่าคือเราอย่าไปให้ข้อหมายเขาว่ารู้ ซ, ซื่อเนี่ยมันทําหน้าที่รู้ ในส่วนรู้นะมันจะเป็นอะไรอย่างไรรู้ที่รู้ขณะนี้มันเป็นความคิดเป็นอารมณ์อะไรแบบไหนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของปัญญาแต่หน้าที่ของสติคือส่องให้เห็นเท่านั้นว่าอะไรเป็นไรเท่านั้นเนี่ยเหมือนตาเนี่ยแสงไฟเป็นหน้าที่ส่องให้เห็นเท่านั้นนะแต่ว่าเวลาตาไปเห็นแล้วมันจะเป็นยิ่งเป็นชายเป็นขาวเป็นดําเป็นเรื่องของตาละไม่ใช่เรื่องของแสงใช่ไหมสติคือรู้ซื่อเนี่ยทําหน้าที่เหมือนแสงนะ แต่ดวงตาที่ไปเห็นลักษณะต่างๆเรารู้จักอั น, นี้เป็นหน้าที่ของปัญญามันทํางานร่วมกันนะเพราะฉะนั้นแสงสว่างกับดวงตาทํางานร่วมกันฉันใดสติสมยะปัญญาก็ทํางานร่วมกันลักษณะแบบนั้เหมือนกันสติปัญญาเหมือนดวงตาแตสตินี่มันแสงสว่างถ้ามันมีแสงสว่างถ้ามีไม่ ม, ม, ม, มีดวงตาในแสงสว่างมีความหมายไหมถ้า มีแต่ดวงตาแต่ไม่มีแสงสว่างนะ่ยดวงตามีความหมายมันมีคนไม่มมเห็นใช่ไหมเ <_ d ata> พราะนั้นจึงทํางานสัมพันธ์กันเพราะลักษณะนี้เป็ น, เ ป, นเป็นหน้าที่ของธรรมที่เขาทํำงานร่วมกันเขาเราะองธรรมเขาเราะธรรมสมังคีนะ น, นี่ภาษาของเขาไม่ต้องไปสนใจในรายละเอียดให้รู้ซื่ อ, อ, อแล้วก็ทิ้งแล้วก็รู้พอกันไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะไม่ไม่ไม่ต้องไปให้ค่าพิเศษแล้วก็จะทําให้เราสับสนได้ แต่ให้ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้คําตอบอย่างที่โยงว่าเมืเอ่อคืนอ่ะเอออ่ะไอ้พลงเนี่ยมันอ้อไปเรื่อยๆอ่าใช่ไหมมันได้คําตอบมอ้ออ้ออไปเรื่อย ๆ, ๆคือมันรู้ได้คําตอบเองเข้าใจนะแต่ไหนปัญญายังไม่เข้าใจมันยังอ้อไม่เป็นนะมันก็ยังดูต่อไปอยู่อ้อเป็นอย่างนี้เอ ง, องนี่นอ้าต่อไปเป็นยังบ้างอาการดีขึ้นเรี่ยังแต่ปัญหาเดิมอะที่เป็นวันแรกๆอะ มาถึงวันนี้ก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ๋อแต่ว่าชนวงสถิที่ว่าันมีพ uh ูดพ uh ูดใจแล้วก็บางทีก็เอาความรู้าการที่ฟังเนี่ยที่เราฟังยางเสื่อมเสอเองเนี่ยอันก็จะฟีดแล้วก็มันกลับมาที่การกรบเข้ากระบตัวเองนี่แต่ว่ามันนี้มันเริ่มเนี่ยกันก็คือว่ารู้สึกว่านม่ทาถูกหรือเปล่าเนี่ยคือก็รูอสึว่า มันใจคำสอนแต่ไม่มั่ใจตัวเองก็ได้รู้สึกตัวถูกไหมอะไรไหมมันก็เลยไม่ถือก็เปิดนักึกถ้าตัวเปิดตัวเลก็เลยรู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เดินเล่นเนอากาอะไรเนี่ยเดินไปเดมาไู่กัวแต่ชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันมันมันนี่นี่เรประมะ้วมันก็ื่นขึ้นมาใส่เลย ก็เดินเดินเดิในใลแต่ก็พักท่าอเลยมันไม่ให้ดุก็เลยัากมากลมามกลัากลัากลัยากลับไากลัมากัมกับมากลับมากลัํมากลัาัมับมากลับมากอนบมากับมามับมากลับมากลับมากลับมาลัมามากัากลับมากลมากลับาลับมาัมากลามับมาับมากมักลับมากลกลับมากลาลากลาัากััมับมัมมัม อาจจะไม่มั่นใจตัวเองตรงนี้อาศัยการทําบ่อยๆเมื่อาการทํามาโดเเกิดได้เห็นข้ออะไรเห็นข้อถูกข้อผิดได้เห็นรายละเอียดแก้ไขปัญหาเป็นใช้คือใช้สิ่งที่คําสอนนะเป็นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะได้ตามครบตามนั้นหมายความว่าเราได้ทดสอบได้ทดลองและพิสูจน์ครบถ้วนมากขึ้นไปใช้เป็นหมดเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยเรารู้ว่าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดีแน่นอนแต่ว่าฉันก็ยังใช้มันไม่เป็นหร่ใช้ได้ไม่หมด ที่นี่จะทำไงให้มันใช้เป็นใช้หมดก็ต้องใช้บ่อยๆลักษณะของธรรมก็เหมือนกันการที่เราจะไปใช้ครบตามที่ท่านสอนมันมันไม่ใช่ปัญญาของเราเราต้องมาฝึกฝนจนกว่าจะเกิดปัญญาของเราเองนะเราวันหนึ่งก็จะหายสงสัยความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นจนกว่าปัญญาของเราจะบริบูรณนะ์ความมั่นใจเต็มเปี่ยมก็เกิดขึ้นคําสอนทุกอย่างที่เรา ฟังที่เราเป็นกับสิ่งที่ท่านสอนก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราอาศัยเราจะต้องทําให้เป็นทั้งหมดชมินาชั่วนานก็จะหายสงสัยนะแต่ว่าไอ้ความคิดไอปัญหาวันแรกที่เป็นวันแรกเหมือนคล้ายๆกับคุณอัญชนาเป็นวันเนี้ยมันก็หายไปคือหมายความว่าบางเรื่องที่มันติดอยู่ในหัวแล้วมันเอาไม่ออกนี่นะยังไงก็ไปติดอยู่แค่นั้นนะแต่พอมันถึงวันนี้มันก็หายไปเฉยเลยใช่ไหม แ่หายอว่าตที huh. mm ่ว่าเป็นเพราะก่อนเราของเราอยากหายเ่ไม่อยากหายีปจุดน่เป็อะแต่พอเราไม่อยากหายมันก็หายแล้วก็เมาที่ความรู้สึกรวมะคกดาขึ้นสนใจท้ที่จะงอื้อี้มันก็เลยัเ่วใจากตรงนั้นมนี้ก็เลยไปไม่ต้องไป ให้ค่าหรือให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นเดี๋ยวมันก็หมดความสําคัญไปเองนะเพราะฉะนั้นเคล็ดอันหนึ่งที่แก้ไขตรงนี้คืออย่าใส่ใจเพราะสิ่งที่เราย้ําคิดย้าคําในเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นหรือบางเรื่องมันไม่สําคัญเนี่ยแต่เราไปทําให้มันสําคัญจนได้เพราะเราให้ความสําคัญมันเองก็ เ, เป็นอุปทานตัวนี้ก็ทําให้เป็นปัญหาอย่างมากสําหรับคนปัจจุบันนะว่ามีอะไรผิดหรือเกี่ยวตีในใจทใําอะไรผิดอะไร ในใจเดี๋ยวคิที่คิดทั้งท่านไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรนะแต่เราไปให้ความสําคัญมันมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะนี้ต้องระวังในเรื่องนี้นะอะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่าบางทีมันผิดนิดหน่อยใน ใ, นใจเนี่ยเรามาคิดบ่อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย อ, อันนี้เป็นอุปท า, านเมื่อเป็นอย่างนั้นวิธีการก็คืออย่าใส่ใจเรื่องนั้นอย่าให้ความสําคัญทุกเรื่องดเรื่องดีเรื่องร้ายมีค่าเสมอกันคือมันก็คือสังขาร เรามาใส่ใจตัววิสังขารคือความรู้สึกตัวมันเป็นวิสังขารตัวนี้เสมือนน้ามันจะไปล้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเปื้อนมือเราไม่ว่าของดีและไม่ดีแต่มันก็คือสิ่งที่แปดเปื้อนใช่ไหมไม่ว่าน้ําตาลหรือน้ํามันหรือไม่ว่าขี้ไก่มันก็มีค่าเท่ากันแต่สิ่งที่มันจะทําให้ของทั้งสองอย่างเนี่ยออกไปอย่างหมดที่เชิงก็คือน้ําพิสานฉันได้ความรู้สึกตัวนัมันเหมือนน้ำสะอาดแต่สิ่งที่เรามเนื้อมาคิดขึ้นมานี่ยมันกัไอ สิ่งที่มาแปดเพื่อนมือของเราทั้งดีและไม่ดีเราก็ไม่ให้ความสําคัญมันแต่สิ่งที่ให้ความสําคัญคือตัวความรู้สึกตัวที่เข้ามาจัดการดูแลตรงนั้นบ่อยๆเหมือนกราให้ความสําคัญกับน้ํานะมันก็จะง่ายในการแก้ปัญหานะอ่ะต่อไปเอาก็ทําไมไม่ดูมันตามความเป็นจริงเอาไม่ลงก็ไม่ลงฉันจะดูแก่อย่างนี้แหละแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปก็คิดไปมุมใหม่ทีจะไปเอาเขาลงให้ไายมันไม่ได้ เออก็ดีแกก็อยู่ก็ฉันเป็นเพื่อนกันก็แล้วเันย่างนี้คิดไปมุมใหม่เลยนะคิดวิธีการแก้ก็คืออะไรก็ตามที่มันคาใจอยู่นี่อย่าไปเอาเข้าลงอย่าไปเอาเขาหนีน่ะมันเป็นความจริงอันหนึ่งที่เราต้องยอมรับความมีของเขาแต่เราก็จะเจรจากับเขาได้อย่างไรที่จะจะคุยกับเขาได้อย่างไรมันน้เรคิดไปทางใหม่เดี๋วนี้ก็สร้างกุศลและจิตขึ้นมาแต่ทีนี้ไอ้มุกตัวเนี้ยเรามันอาจจะเล่นไม่เคยเล่นนะ มันก็จะฝึกมกันฝึกทักษะที่จะเล่นกับไปความคิดตรงนี้หน่อยเพราะฉะนั้นพอนานเข้ามันลงเองใช่ไหมหายไปเองใช่ไหม oh. อ๋อเออคืออย่าให้มีความสับคันกับมันอ่าก็ให้พยายามยอมรับในสิ่งที่มันเกิดว่าเป็นภาวะอันหนึ่งที่เป็นจริงแต่เราจะเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราแต่การที่เราไม่ตั้งสติที่เกี่ยวข้องเขาเราเข้าไปเป็นกับเขาหมดเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่แก่ยาก ใช่ไหมเราเข้าไปเป็นนะแต่เรากลับไม่ได้เห็นเข้าอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จิตเดิมแท้ของเราคือรู้ซื่อเนี่ยของเดิมแท้นะแต่ถ้ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของใหม่ละแล้วให้ให้เห็นว่าอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่จิตล้วนะที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าอ่าที่ขุนมันไม่ใช่น้ําน้ํามันจะไม่ขุนแต่สิ่งที่ทําให้น้ําขุนคือขี้ตุ๋เพราะเพราะอะไรเพราะสารสุปมันน้อยไปเรืแก่เยอะๆนละย แหว่งสารส้มเยอะๆหน่อยแก่งแรงๆหน่อยถ้ามันไม่ตรวตะกอนนั่นนะไม่ใช่ก็หามุกใหม่มาเล่นกับมันเรื่อยๆไปพราพราเรายังมีอุปทานตรงนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นบางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรหรอกแต่ว่าพอมีอุปทานเยอะมันก็ลกลายไปเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็พยายามลดตัวนั้นะคือไม่ให้ความสําคัญ่ะ เราก็อย่าไปใส่ใจเออคิดก็ไปก็เหมือนก็เป็นธรรมารมุมนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราอย่าไปคิดว่าคิดก็คิดก็ด ก, ก็กลับมาอยู่รู้สึกตัวเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ขณะที่รู้สึกตัวอยู่มันก็ยังมีก็ช่างมันก็มายุรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดไปเองมันมันก็เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าในใจของเราหมายถึงว่าเราจะไม่ให้มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่หน้าหนีของเราที่ไปบังคับแบบนั้นนะฮะ ให้ก็ยอมรับภาวะที่มันมีอยู่เมื่อมันไม่มีมมมมมมมก็รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเมื่อว่ามันมีแล้วรู้ว่ามันมีแค่นั้นเองให้รู้ภาวะเนี่ยบางครั้งมันก็ว่างบางครั้งก็เฉยๆบางครั้งก็ Connie, คิดเรื่องดีบางครั้งก็เรื่องไม่ดีสลับกันไปสลับกันมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของจิตที่เขาจะทําแบบนั้นนะัะนนะแต่หน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของสติคือเข้าไปรู้เขาเท่านั้นเองรู้ถึงความมีอยู่จนกระทั่งว่า อ่ามันเป็นธรรมดาเหมือนกับในบ้านเราเนะี่ะเดี๋ยวคนนั้นเข้ามาเดี๋ยวคนนี้เข้ามาเนี่ยซึ่งเราจะไปงุนงงลำคังกับเขาไม่ได้สุงมือบ้านเราอยู่หลายคนนี้นะเราหมายเย่ว่าไม่ให้เข้ามาไม่ให้ใครเข้ามาอะไรนะมันไม่ถูกใช่ไหแล้วก็ยอมรับว่าเออเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้เหมือนกันอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าโลภโกรลงรักชงังเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาสัมผัสกับจิตเราก็รับรู้ปีอยู่ของเขา แต่เราไม่ต้องให้ความสําคัญธ์เราก็เดี๋ยวเข้ามาได้วเขาก็ไปแล้วก็เพียงได้รู้จักเขาเท่านั้นเองถ้าหากลักษณะนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าเราไม่ยึดบ้านเป็นของเราคนเดียวเรายอมรับภาวะที่มีอยู่ของเขาจะทําได้เข้าใจมาภาที่เข้าใจนะเหมือนกันนะใครเข้ามาก็ได้บ้านหลังนี้แต่ว่าอย่ามาทำายฉันก็เลิกกันนะเรารู้ว่าคนมีอยู่บ้านเดียวเขาอยู่ด้วยกันเจสิบคนใช่ไหม คนนั้นเข้าคนนี้ออกอะต่างคนต่างมีหน้านที่เกี่ยวข้องกันคุยกันไปไม่มีนี่เที่ยวข้องกับทางคนต่างอยู่เหมือนกันในจิตของเราเดี๋ยวความคิดนั้นเข้าเดี๋ยวความคิดนี่ออกเดี๋ยวอารมณ์นั้นมาเดี๋ยวอารมณ์นี้ไปก็อ ย, อย่าไปหงุดหงิดขันขกับเขาถ้ากลัว อ, อ๋อเขาเป็นธรรมดาของเขาเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะเราทำใจอย่างนี้ปั๊มนี่เราสบายเลยแต่จะทําได้ไหมเราไปฝึกทําดูนะเออ่าคนต่อไป ป็สุดท้ายนะวันนี้เราจะเอาแค่นี้พอหมดเวลาแล้วชิ้ที่เหลือก็พรุ่งนี้ต่อกันเลยกันอ่าา่แต่ว่าสิ่งนี้ที่จะติดตัวมานานจะนอะไรอา่าให้ตัวอดคนที่บอกว่าเขาจะดูแลเรา่ะ <c oughs> มีคนที่ดูแลอะ้ก <c oughs> ็เลยวอมันน่ากลัวีเนะ่เห็นรเจ้าหลงอแูแล้วก็ที่วนน ยังไม่เหราพ่อได้แค่นี้แคะแต่ทำยังไงหนูถึงจะเป็นตัวรู้ก็คือความทุกขทรมารจากอากาศอาหารทายังไงหนูถึงจะเป็นแค่ผู้ที่พูดอย่างเดียวค่ะคือความหาเนี่ยบันคงจะทุกข์ทรมารย์อย่างเนี้ยแก้ไขไม่ได้แต่ทํายังไงหนูถึงจะจะเป็นอย่างเดียวมอลขอดเอิ่มความจริงคุณจริงทุกอย่างแก้ไขได้แต่ว่าเรา อาจจะแก้ไขไม่เป็นเท่านั้นเองลองาตั้งหลายทีหล ง, งพ่อท่านยีหกปีแล้วนะคะอ่ะเลยแต่ว่าถ้าไม่อันนั้นเป็นโยมนะแต่ถ้าหาหลวงพ่อนันอีกแบบหนึ่งน ะ, ะเพราะนั้นในลักษณะถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้แต่ในส่วนที่เป็นนามธรรมานะซึ่งมันไม่มีตัวตนให้สัมผัสได้นะเรายังแก้ไขมันได้เลย แต่ที่นี้ร่างกายท่าสี่ขันห้ามันเป็นรูปใช่ไหมมันเรียบเที่ยวไม่ได้กับไอ้นามมาทำเลยทำไมจะแก้ไขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ไขถูถกเรามีทักษะเรามีประสบการณ์เราหาบุคคลที่แก้ไขถูกต้องไหมเท่านั้นเองเพราะนั้นต้องขนขวายคุณอย่าท้อเรื่องนี้นะเพราะอะไรขนาดนามมาทำเนี่ยโรคกวดหลงรักชังอะไรหินมาเลยอะ่ะมันมาอย่างไงมันไปอย่างไรแต่ตัวท่าสี่ ถึงรูปเนี่ยมันเป็นของที่สัมผัสได้เป็นเรื่องง่ายมากเลยใช่ไหมแต่คุณต้องพยายามต่อไปคุณคุณนึกถึงคุณนึกถึงอาจารย์กําพลทองบุญนุ่มนะมที่คุณไปนำมาพาดอะ่ะเออนั่นนะนั่นเขาน่าจะเขาน่าจะหนักกว่าคุณนะผมว่ามาว่านใะจเราใจเราตู้ได้แตกายก็ไม่เป็นไปตามเราเลยมาหลวงพออืมก็ลองพยายามแก้ไขส่วนหนึ่งก็เราเรียกว่าวิบากอาจจะใช้ก็เรียกว่า แต่และคนต้องอดูแล ต, ตัวเองตัวเนี้ยนะว่าไปีนไงก็พยายามต่อไป<ม>ก็ใช้ได้ทุกอย่างเท่าที่เรารู้สึกแล้วก็พยายามแยกเวทนาความรู้สึกตัวแต่บางครั้งเวทนามันกล้ามันแข็งเกินไปถ้าความรู้สึกตัวเราอ่อนนะมันก็แยกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจให้ความสำคัญอะไรมากอะเรื่องเง บางครั้งนะ่ะมาเป็นโรคไข้ไข้เจ็บอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันเอามาก็ไม่สนใจก็มีหน้าที่แก้ไขแก้ไขไปแกจะหายไปหายวิเล่้องแกแต่ฉันแก้แก้ไขแก่จไ ม, ไม่ไม่ปล่อยปล่แล้วเลยดูแล้วจะใส่มันอย่างดี<อ>ในที่สุดมันก็หายหมดอ่ะไม่มีอะไรเหลือเลยนะก็ได้ทุกทุส่วนอของร่างกายมี<อ>บทเยื่อทั้งหมดใช้ได้หมดแต่ว่าเราต้องทําให้มันให้มันถูกนะว่าเราใช้การเคลื่อนไหวจริงแต่ว่า เราแยกไม่ออกระหว่างความรู้สึกตัวกับเวทนาบางทีมันก็ไม่ได้ผลนะเพราะงัน้นตลอดเวลาหลวงพ่อเ น, น้นคือว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆคืออย่างไรแล้วความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาทั้งหลายเนี่ยคืออย่างไรต้องไปทำสองอย่างให้ชัดเจนให้ได้แล้วมันจะแก้ปัญหาได้ได้ง่ายขึ้นเอาเวทนาบุคคนรู้สึกเวทนาทางกายมันรู้สึกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนรู้สึกตัวคือเข้าไป รู้ความมีอยู่ของเวทนาความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ของเวทนาความหนักความบอกค้องเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวเข้าไปรู้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องต้องไปทําตรงนี้ให้ชัดนะถ้าคุณรู้ตรงนี้บอกว่าการที่ชัดคือความรู้สึกตัวจริงๆกับเวทนาอที่ต้องอืมต้องไปทําตรงนี้ให้ชัดนะง่ายขึ้นก็โอเคนะก็คนโมทนาหลายๆคนที่มีอารมณ์ชัดเจนขึ้น เราก็แก้ไขปัญหาของตัวเองได้ไดหลายอย่างขึ้นจนะมาถึงวันนี้ก็คิดว่าแต่ที่สําคัญก็คือประสบการณ์ที่ดีๆเนี่ยขอให้เอาไปสักซ้อมไปเรียนรู้บ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำ น, นิชํานาญเมื่อเกิดความชำ น, นิชนาญแล้วมันจะใช้ง่ายใช้เป็นและก็ใช้ได้เร็วแต่เราเห็นว่าประสบการณ์ดีๆเราลืมไปทิ้งไปเนี่ยน่าเสียดาย นะสิ่งไหนที่มันเป็นประสบการณ์ดีๆที่เราได้เนี่ยให้เอามาทบทวนทดสอบใช้บ่อยๆในจุดนั้นแล้วมันก็จะเกิดเป็นทักษะเกิดเป็นกุศลและจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อมีวิกฤตอารมณ์บางตัวที่มันวิกฤตเนี่ยเราก็อย่าไปให้ความสำคัญมันมากเกินไปที่มันมีค่ามีความสำคัญแล้วมีผลต่อจิตของเรามากเพราะเราให้ความสาคัญกับมัน แต่อารมณ์ตัวนั้นนั้นถ้าหากว่ามันจะร้ า, ายขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับมันนะมันก็แกได้ง่ายๆเพราะนั้นขอให้ไปสังเกตตัวนั้นก่อนนะถ้าคนไหนติดอารมณ์ตัวไหนนะเราให้ความสำคัญมันหรือเปล่านะที่มันเคยเป็นมานะก็ขอนุัมทนาทุกท่านสำหรับที่เหลือก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อเนาะก็อภารพรกัน